พระเรวตะประกาศระงับอธิกรณ์ด้วยอุปภิกะวิธีครั้งนั้นสงประสงค์จะวินิจฉัยอธิกรณี้จึงประชุมกันและเมื่อกำลังวินิจฉัยอธิกรณ์นั้นอยู่ มีเสียงเสี่ยงแท่เกิดขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีใครทราบความหมายแห่งถ้อยคำที่กล่าวแล้วได้ลำดับนั้นท่านพระเรวักจึงประกาศให้สงทราบว่า